เวลาประสบความสําเร็จก็ประสบความสําเร็จสูงมากที่เป็นหมอแล้วก็นึกได้อยู่คนนะหมอชีโวกโกมาล้พัดหมอชีวกนี่เป็นพระโสดาบันเนี่ยเป็นเรื่องอาชีพแต่ละคนแต่ละคนเป็นทหารเป็นอะไรก็มีอะอยู่ในพระไตรปิฎกที่เราเล่าวะเนี่ยผมจะพยายามเก็บมาเล่าแล้วก็ชี้ให้ดูเจนี <c> ้ <oughs> ในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าสุขทุก เพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาเสวยสติในภพใดภพหนึ่งเนี่ยจะมีสุขอย่างนั้นอย่างนี้มีทุกข์อย่างนั้นอย่าง น, น, างนี้สุขด้วยประการอย่างไรหรือทุกข์ด้วยประการอย่างไรนะมีแตกต่างบางคนนะปกติชีวิตนะั้นมีความสุขอย่างล้นเหลือไม่น่าบวชเลยนะไม่น่าจําเป็นต้องเข้าวัดเลยประเภทนี้เข้ามาแล้วคนก็เห็นว่าไปหาเรื่องหาทุกข์ใส่ตัวแท้ อยู่กระ้านกระทาบุญได้แต่อยากจะทาบุญและไปเข้าวัดไปบวชไปเรียนทำใหมนี่ก็เขาว่าเหมือนอย่างสมัยนี้และหลายคนก็เป็นทุกข์อย่างสาหัสทุกข์ด้วยโรคร้ายแรงอย่างเช่นท่านสุปาพุท ธ, ธะเป็นโรค ก, กุดถังไปอยู่ที่ไหนสังคมก็ลังเกียจนี่ความทุกข์พระโอกากติสาก็ทุกข์ไม่มีจะกินไม่เคยรู้คาว่าอิ่มเลย แต่ว่าท่านเหล่านี้ที่ทุก ส, หสหกาหัสสากันเหล่านี้ก็บรรลุทำได้เพราะฉะนั้นนี่คือพื้นฐานปกติเพราะทั้งเพราะฉะนั้นแหละไอ้ประเด็นที่ที่เราหน้ามองอีกจุดหนึ่งเนี่ยเหตุชักนำเหตุชักพามาสู่ทำถ้าถามเราว่าทําไมเราถึงเข้าวัดเนี่ยเราจะตอบเหมือนกันก็มีไม่เหมือนกันก็มีถามว่าทําไมถึงเข้าวัด ให้คนไม่เข้าวัดมันคอยจ้องจะว่าอยู่อย่างเดียวถ้าเรารุ่นหนุ่มก็บอกแม่โอกก่ะถ้ารุ่นแต่งงานแล้วบอกสงสัยผัวมีเมียน้อยอ่าพูดไปนู่นแหละไม่มีข้อมูลเลยทั้งนี้สารพัดจะพูดล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องไม่ดีทั้งนั้นเป็นข้อที่พูดถึงเหตุไปดีแต่จริงๆแล้วในสมัยพุทธกาลเนี่ยมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีคือเข้าด้วยเหตุ ด, ดีแต่ไม่ได้ดีก็มีหมายถึงเข้าไปแล้วไม่ได้ดี เข้าด้วยเหตไม่ดีเข้าไปแล้วได้ดีก็มีมีสารพัดอย่างออย่างกรณีที่ว่าทุกโศกโรคภัยพาเข้าวัดอันนี้เยอะนางกีสาโคตมีอะไรพาเข้าวัดน่ะความเสียใจความเสียใจเรื่องอะไรพาเข้าวัดลูกตายลูกคนเดียวตายใช่ไหมฮะและที่ ไปข อ, อยาให้พระพุทเจ้ารักษาพระเจ้าก็รับยารักษ า, า, กษาให้ไปหาเม็ดปันประกาศมาไงอันนี้เป็นอุบายให้ธรรมะเนี่ยก็ได้มาบรรลุธรรมหายโศนางกัตาจล า, าก็เหมือนกันนี่ก็ทุกอย่างเหลือเหลือลนเลยเข้าวัดอ่าแล้วก็บางคนก็ชีวิตครอบครัวประสบความล้มเหล ว, ลหลวอย่างรายหนึ่งขอโทษเอามีผัวสามคนมันทิ้งทั้งสามคนเลย เลยต้องเข้าวัดเลิกกันเลยเนี่ยในประวัติพระเทรีรูปหนึ่งแล้วกอ็อีกคนหนึ่งก็ทุกไม่มีจะกินเด็กท่านจิตตาหัตตาสารีบุตร่ย ไ, ไม่มีจะกินบานอยู่ไม่ไกลจากวัดเทนพัฒน์เห็นว่าบวชแล้วมีอยู่มักินก็เลยมาบวชบวชแล้วสึกสึกเจ็ดครั้งไงล่ะครับ ในพิสครั้งสุดท้ายก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องสึกอันชิตตาหาสาลีบุตรนี่ก็เป็นองค์หนึ่งบางคนก็แต่งงานอ้ยมั่นเจ้าหญิงสัตย า, าโลงหนึ่งชื่ออภิรูปนันธามั่นวันมั่นสามีตายเลยไม่ใช่สามีกูมั่นตายโอ้โหมันลางลาย สะเทืนใจกันไปทั้งพรอบครัวพ่อแม่พี่น้องเลยปรึกษากันแล้วพ่อแม่ลวงแนะนําให้บวชก็บวชก็เลยบรรลุเป็นพระล้านพี่ครับนี่สันตติมหาอามาตนี่เสียใจเศร้าโศกเรื่องนางลำตายก็ก็ทีแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปบวชแล้วตั้งใจจะไปขอให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมะปลอบใจเลยได้บรรลุเป็นพระล้านพัน พอบรรลุแล้วก็ตายตามนางลำไปเลยคือบริณิพานเลยเพราะฉะนั้นผมถึงเคยบอกว่าดีแล้วละ่ะคุณว่าไม่ดีแล้วก็ทุกข์เข้าวัดน่ะดีแล้วใช่ไหมละ่ะดีกว่าเข้าไปที่อื่นทุกแล้วไปที่อื่นทุกแล้วไปทำอย่างอื่นทุกแล้วไปเสพอะไรอย่างอื่นเนี้ยมันเรื่องไม่ถูกต้องมันทําให้ทุกข์ยิ่งขึ้นทีนี้ที่ประหลาดอันหนึ่งก็คือในอีกสายหนึ่งอ่ะคนอีกสายหนึ่ง เข้าวัดเพรากิเลสสมัยนี้มีเปนเข้าวัดเพรากิเลสอันนี้ถ้าสมมติว่าผู้อยู่ในวัดรู้จักฉวยโอกาสสงเคราะห์ทําให้เขาดีนะโอ้ช่วยคนให้เป็นคนดีได้ธรรมะเยอะเลยเข้าวัดเพรากิเลสเดี๋ยวนี้ก็เยอะกิเลสหยาบบางกิเลสละเอียดบางอ่าผมจะยกตัวอย่ยางให้ฟังมีอยู่บางหลายหลายหลา ย, ลายอรหันต์หลายองค์นี่เป็นอรหันต์กันเลยเป็นแถวเลยนะ ใครที่ฟังพระสูตรเนย่าจะจาได้ว่ามีพวกพราหมณ์สกุลภาระทวาชโัโคตหลายคนเลยครับเข้าวัดไปหาพระพุทธเจ้าไปหาทำไมจำได้ไหมไปด่าจะไปด่าพระพุทธเจ้าแล้วน ใ, นในนั้นก็บันทึกคำด่าไว้ไอบางคนตั้งใจไปด่าเพราะเจอพิชชาอาปาไม่ออกก็บงคนก็ได้ด่า เราก็บันทึกคาด่าแล้วพระเจ้าท่านก็ย้อนนี่เราจําไว้นะเวลาใครเข้ามาด่าเราต้องย้อนให้เขาได้ประโยชน์ตพระพุทธเจ้าทรงย้อนถ้าจะเป็นอราหาันเลยเป็นอราหารันไปเลยเราอ่านอ่านไปแล้วก็เป็นเรื่องแปลกดีคือมาด่าแล้วท่านย้อนในในในพระสูตรเราพูดมาต้องเป็นสิทสูตรอ่ะ ไม่รู้พวกนี้มีเวลาเวณอะไรพุทธเจ้านักม า, มาด่าแล้วพุทธเจ้าก็ทำไม่เป็นอาหารหันต์ได้นั่นก็ไอคนด่านี่เขาต้องการจะจะทาลายบางคนเขาก็อยากแก้สงเคราะห์พูดให้รู้สึกสำนึกตัวตามควางเข้าใจของเขาอะนะว่าคนถูกด่าเนี่ยทำไม่ถูกแล้วพยายามจะแก้ไขด้วยวิธีการด่านี่ยถ้า เราจะคิดอย่างธรรมะเนี่ยคนมาด่าเราเราต้องตอบแทนเขาทําให้เขาดีเราก็ย้อนหรือใช้วิธีตอบกลับอย่าง jenis ที่ทําให้เขามีความสุขได้สติปัญญากลับไปก็จะเป็นเป็นบุญ ก, กุศลกับเราอ่ะเราจะทําให้ศัตรูกลายเป็นมิตรอย่างพิเศษไปในที่สุดนอกนั้นก็มีบางคนก็แหมมาณเถงไอนใช่ไนะมหาพระพุทธเจ้าอะ ของคนเข้ามาจะเอาโน่นเอานี่สารพัด ส, สารพันกิเลสแตกต่างต่างอย่างต่างบางคนก็มาเพื่อจะมาเาผยแพร่ลัทธิของตัวกับพระพุทธเจ้าอย่างเช่นพวกสีหะเ ส, าสนาบดีลูกศิษย์ของนิครนนันตบุตรกิเลสแต่ละคนแต่ละคนแตกต่างกันอีกสายหนึ่ง สายนี้นะํามาด้วยศรัทธาและปัญญาคำว่าศรัทธาในหมายถึงเกิดความเลื่อมใสด้วยเหตุต่างๆหลายประการด้วยปัญญาหมายถึงด้วยความจำนงหวังธรรมะหรือความถูกต้องแล้วก็พุ่งเข้ามาสู่ที่วัด บางคนก็ได้ยินกิติศาสมาพูดทธเจ้าในเป็นผู้ตัดสินยังเกิดเกิดความรู้เชื่อเป็นเรื่องเฉพาะตัวว่าพระพุทธเจ้าสามารถที่จะตอบได้พระพุทธเจ้าเป็นเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ก็พากันมาบางทีก็มีข้อกัดแยงด้งทางความคิดกับนักบวช ด, ด้วยกันก็พามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระพุทธเจ้าตัดสินที่แจ้งเพราะฉะนั้น พวกที่เข้ามาด้วยศรัทธาเนี่ย mm hmm. ก็มีเป็นอันมาก mm hmm. เรียกได้ว่ามีเยอ ะ, อ, ะอย่างเช่นพระพายยะเนี่ยมาด้วยศรัทธานี่เราเห็นชัดอนาถาบินทิกาเศรษฐีได้รับขา่าวพระพุทธเจ้าจากคู่เขย mm hmm. ก็อยากจะเฝ้าอยากจะทำบุญถึงขนาดมาดักรอจนคืนนั้นนอนไม่หลับ ตื่นเช้าขึ้นมาดึกๆก็ออกจากประตูเมืองเห็นว่าเทวดาเปิดประตูเมืองให้ออกไปฟาบลุติจ่าแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนี่พวกนี้ก็เป็นพวกมีศรัทธาทีนี้ที่ประหลาดหลายๆคนเนี่ยครับเห็นจะต้องเรียกว่าเป็นพวกที่บารมีธรรบันดาลในภาษาคมภีท่านใช้คําว่า อ่าบารมีกระตุ้นเตือนคืออันนี้เป็นเรื่องเหตุผลนอกสํานึกมองด้วยสายตาของคนธรรมดาเนี่ยเหมือนท่านบ้าเหมือนทําอะไรไม่มีเหตุผลเหมือนช่างตกมันหรือมือนโคตึกมันมเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วคนที่มีพฤติกรรมในลักษณะที่ไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยจะมีอยู่สองประเภทในเจงาธรรมะประเภทหนึ่งคือในทางไม่ดี ประเภทหนึ่งคือในทางดีไอ้ทางไม่ดีหมายถึงถ้ากรรมมันแรงจัดกิเลสมันแรงจัดคนนั้นลืมตัวใช่ไหมเหมือนคนใกล้จะตายเคยทาบาปมากๆเนี่ยลืมตัวปกคุ้มครองตัวเองไม่ได้ทำอะไรในลักษณะที่ทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษใครก็ห้ามไม่อยู่แม่ไม่ใกล้ตายก็มีคนอย่างนี้มากอย่างคนเป็นบ้าเป็นอะไรไปอย่างนี้นะกรรมมันแรง ก่เลสแรงก็ลืมตัวหน้ามืดตาหมัวลืมไปเลยหลงไปเลยผีนั่นผีนี่เข้าสิงผู้ี่เลสอ่ะผีการพ น, นันดีอะไรอะไรแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของวาสนาบารมีก็ทำให้ลืมตัวแล้เราเนี่ยบาทีเราว่าทั้งคู่พูด ถ, ถึงคนไม่ชัดเจเรื่องพวนี้นะก็ว่าทั้งคู่ อ, อย่างที่ว่าอยู่ดีๆทำไมถึง จิงสละราชสมบัติอยู่ดีๆทําไมถึงล่าความห่วงใ ย, ยเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ดีๆทําไมถึงสละราชบัลลังอย่างสมัยพุทธกาลมีเยอะเงีนะก็สรรหามาว่ากันเท่าที่ตามองเห็นแม้พระพุทธเจ้าเองก็ถูกว่าถูกห่วงถูกห้ามจากพญาจากพระราชบิดาเพราะนั้นคนที่บรารลัมีกระตุ้นเนี่ย บารมีมันทำงานตัวเองนะเหมือนไ น, นตัวองตัวเองเช่นที่เรารู้จักชื่อท่านดีเลยคือพระยัสสาใช่ไหมจ๊ะยัสสาโกโลบุทยัสสาโกโรบุทเนี่ยอยู่ในปราสาทสารดู่อยู่สบายๆดีๆไม่ได้มีระเบิดลงไม่ได้มีอะไรแผ่นดินก็ไม่ ไ, ไหวพายุก็ไม่มีนะ เสร็จแล้วก็เกิดความรู้สึกบันดาลใจขึ้นมาที่เป็นสํานึกในธรรมแล้วอุทานว่าไงวุ่นวายเนอะทั้งที่คข น, นอนกันเงียบขรึ ม, มาาว่าวุ่นวายให้วุ่นวายอ่ะ แ, แต่อันนี้ก็ว่าตัวเองวุ่นไวายไปเองแต่วุ่นวายตัวนี้ไม่ใช่วุ่นวายด้วยความรู้สึกสังกิเลตเป็นธรรมสังเวช ท, ที่เกิดขึ้นเสร็จแล้วก็ออกนอกปราสาท เดินออกไปอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางถามว่ายศศาสตั้งใจรู้หรือว่าพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนตั้งใจหรือว่าจะไปพบพระงพุทธเจ้ารู้หรือว่าตัวจะไปที่ไหนหายวุ่นวายไม่รู้ไม่ได้หวังด้วยแต่รู้ที่นี่วุ่นวายหนอไม่มีคาว่าที่ไหนไม่วุ่นวายหนอที่นี่วุ่นวายหนอะดีไหนไม่วุ่นวาย ออกนอกบ้างอะที่ไหนไม่วุ่นวายมั่งไม่เคยตะโกนร้องหายอย่างนี้เสร็จแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านรู้อยู่แล้วนะฮะท่านรู้อินทรีย์ของสัตว์รู้อะไรแต่างท่งานก็ไปดักรอดักพบตามประวัติอย่างที่เรารู้ก็เลยได้บรรลุเป็นตั้โซดาบานก่อนแล้วบรรลุเป็นพระอารหาันต์ในระยะใกลชิดนั้นทีเดียวนี่เป็นเป็น คนที่เป็นตัวอย่างกรณีนี้ได้ย ห, หรืออย่างกรณีของท่านการหาทินะนี่ก็เหมือนกันก็ออกบทนี่วิ่งไปหาพระสารีบุตรบารมีบรรดาลให้เป็นไปทีนี้เราก็ย้อนกลับมาหาเราบาง้งอย่างเราไม่มีบ้างเหรอืออาจจะมีก็ได้นะฮะยังนึกไม่ออกคือยังไม่เคยไปสอบถามกันดูทีนี้อีกเหตุเหมือน ที่กลุ่มเหตุหนึ่งพวกนี้น่ะเข้ามาสู่ธรรมด้วยแรงชักจูงของกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเนี่ยอาจจะมีอยู่สองสองระยะระยะหนึ่งระยะจูงเข้ามาอีกระยะหนึ่งคือระยะทำให้เป็นอริยบางคนก็ทั้งจูงทั้งทำให้เป็น บางคนก็คนทําให้เป็นคนหนึ่งคนจูงคนหนึ่งอย่างเช่นท่านางเขมาใครใครทําใครพาเข้าวัดให้คําว่าพาไม่จำเป็นคนพาจะต้องพาไปแนะนําไปก็ได้วางอุบายไปก็ได้ท่านางเขมาใครพาเข้าวัดพระสวะัสดใครเป็นพระสวามีพระเจ้าเป็มีศาลพระเจ้าเป็มีศาลเป็นโสดา แต่ว่าไม่สามารถที่จะทําให้ภรรยาเลื่อมใสได้เองนะฮะเรียกว่าภรรยาของฉันแต่ไม่ใช่เวนไนของฉันภรรยาฉันไปเชื่อคนอื่นอะไรนี่นะเออมันมีอยู่ห้องเหมือนกันแต่นี่ไม่ใช่ผมอะคือตัวนะพูดธรรมะแล้วคนอื่นก็ฟังแต่มีอยู่คนเดียวไม่ฟังเมียไปฟังคนอื่นไม่ถูกกับที่สา ม, มีพูดอะไรนี่นะเออมันก็มีก็ว่าเอออย่างนี้ไม่ใช่เวนไน ไม่ใช่เวไหนหรือตัวเป็นเจ้าเจ้าคณะเจ้าสํานักพูดธรรมะแต่ลูกสํานักไปที่อื่นไม่ชอบไม่เลื่อมใสธรรมะอย่างที่เจ้าสานั ก, กพูดเนี่นะอันนี้ก็เรื่องของเวไหนเราก็สบายอกสบายใจเมื่อเข้าใจอันนี้นอันนั้นอันนี้ก็ไม่ได้เป็นทุกค น, นครับบางคนเขาก็ไปเอาธรรมะที่ตัวได้ไปให้กับอีกคนได้อย่างเช่นมีสาขากับพระนางธรรมจินนาอางนีย สามีเป็นอนาคามีแล้วก็กลับไปบ้านมีผลธรรมะรยาบวชเลยั้งที่ตอนบวชก็ยังไม่ได้เป็นอะไรเลยยังไม่ได้พบรพระพุทธเจ้าด้วยซ้มีเป็นข้อแตกต่างในส่วนปีกย่อยบางประการานายกาละเข้าวัดเพราะใครเข้าเป็นโสระบันเหมือนกันนะฟังธรรมะเป็นโสดะบันพ่อที่จ้างให้ไ่ายฟังธรรมะ จ้งไปฟังธรรมะก็ได้ได้เป็นพระโสดาบันตามพ่อไปด้วยพ่อคืออนาตาบิติกาเศรษฐี <c oughs> บางคนก็อาศัยเทวดาพาเข้าวัดโดนใจให้เข้าวัดและเขามีฮะกรลยานามิตรเหล่านี้เป็นผู้ชักนำไปสู่นี่เป็นเหตุชักจุดที่ผมว่าเป็น ส่วนใหญ่ๆ ใ, ให้ฟังนี่ยังไม่ได้เล่าเป็นร า, ายละเอียดของประวัติพระเองจะยกตัวอย่างเชีย่ยเห็นเป็นส่วนหล่องๆโดยสังเกตเป็นกรณีไปก่อนอันี้มาพูดถึงอีกจุดหนึ่งคืออาการบรรลุธรรมอีกประเด็นอาการบรรลุธรรมซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นใหญ่ที่น่าศึกษาและมีมุมแปลก มุมไม่น่าเป็นไปได้ก็แล้วก็รวมทั้งหน้าเป็นไปได้มากม า, กายไก่กองเลยทีเดียวอาการบรรลุธรรมของพระอริยาสาวกในสมัยพุทธกาลนั้นบางองค์เนี่ยนี่พูดถึงโดยการบวชโดยเพศเป็นกรณีหนึ่งที่เราควรพิจารณาคือบางองค์เนี่ยบรรลุโดยไม่บวชนันนั้นยกไว้เยอะอย่างว่ามาแล้ว บางองค์เนี่ยจะต้องบวชหรือจะบวชแต่บรรลุก่อนบวชก็มีแล้วบรรลุก่อนบวชเนี่ยบางคนก็อยากบวชแล้วบวชไม่ได้ไม่ได้บวชอะ่ะทำไมรู้ไหมโดนควายขีด ต, ตายแล้ว อ, อย่างเช่นพระภายญาเนี่ยขอบวชแล้วนะฮะแต่ตอนบนรรลุบรรลุก่อนบวชนึกออกมฮะ พระพุทธเจ้ากาลังสเสด็จปธาบัติดูตัวก็ก็ะือกกรหอบมาด้วยอํานาจของเทวดาซึ่งเป็นกัลยาณมิตรเก่าเป็นพรมชั้นสุท้าววาดสร้างบารมีด้วยกันมาก็มาบอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่เมืองสาวัตถีเป็นพระอรหนต์จริงๆมหาด้านเถระก็ศรัทธา ม, มามาขอฟังธรรมฟังธรรมเสร็จแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ขออนุญาตบวชพระพุทธเจ้าก็รู้ไม่ได้บวช จะบอกไม่ต้องมาขอลราเดี๋ยวก็ตายอยู่เราบองไปหาตาใจ ย, ยีวอนมาสิบาดใจ ย, ยีวอนมีแล้วถ้าก็ไม่ให้เอ้หีพี่ขู่ด้วยนะอะนนี้นก็มีกรณีบวชแบบไอ้หีอะไรตระหนักอีกนะพอคลอยหลังไปได้เดี๋ยวเดียวควายมาจากไหนไมึงควายวั ว, วไมลงอ่อนขุด ต, ตายคาที่อยู่นั้นเองไม่ได้บวชแล้วบางองค์ก็ได้บวชแล้วบรรลุเนี่ยบรรลุหลังบวช อันนี้เยอะไม่รู้หลังบวชแล้วที่พิเศษจำนวนหนึ่งซึ่งก็มีหลายองค์สมควรนะบรรลุในขณะบวชนะก่อนบวชฟังไม่ได้บรรลุมาบรรลุขณะบวชถามว่าขณะบวชเนี่ยบรรลุได้ไงที่เราเคยไรียนว่ากลังปลงผมบางองค์เนี่ยครับพรอมิดโกนโกนแกลกแกกบรรลุเลย บององโกลนไปได้พอสมควรบรรลุแล้วบององพอกโกลนโกน gas สุดท้ายหมดคูณงามผมหมดหัวบรรลุน ะ, อ, ะอย่างจะยกตัวยอย่างให้ฟังสักองค์จริงๆมีเนนหลายองคที่บรรลุในลักษณะอย่างนี้มีอยู่องค์หนึ่งที่บรรลุเมื่อ ลงผมหมดหัวคือท่านผู้นี้นะ่ะท่านชื่อว่าชื่อเหมือนพระพุทธเจ้าชื่อโคตมาแต่ว่าก่อนบวชเนี่ยเป็นเป็นขอทานแต่ไม่ใช่ขอทานโดยความจำเป็นนะขอทานต้มเขาตัวตาให้บอชทําแกล้งเป็นตาบอดแล้วก็ไปขอทานเก็บเงินเก็บของจะได้เป็นพันกหาบันนะ พอตัวหลอกเข้ามาได้เงินพอสมควรโดนหลอกต่อก็ไปรู้จักหญิงสาวคนหนึ่งตอนนั้นอายุสิบหกสิบเจ็ดแล้วตัวเองนะฮะก็ไปเจอหญิงสาวคนหนึ่งหญิงสาวก็อยากได้เงินก็ทําเข้ามาตีสนิทเอาตัวเข้ามาแลกอยู่ด้วยกันคืนเดียวเอาเงินไปหมดเลยตั้งกระ บ, บัะนั้นมาแกโมโหแล้วเลยพานเกลือผู้หญิงเลยครับเกลือผู้หญิงเข้ากระดูกเลย มาขอบวชเมื่อมาบวชแล้วขณะนนที่กําลังปลงผมผมตรงผมเสร็จพอดีเนี่ยได้บรรลุปเป็นพระหลานเลยพอเป็นพระหลานแล้วท่านก็เปล่งอูทานเหมือนจแจม่ลังเกียจผู้หญิงคนระับอันนี้เป็นเรื่องความในใจท่านหมายถึงผู้หญิงคนนะที่มาต้มท่านไอ้ที่ท่านไปต้มคนอื่นก็ไม่มีเขาเรียกว่าเรื่องเรื่องนี้มปนเรื่องกรรมเนี่ยทําแล้วก็มีการตรงโกงต่อ บุญก็บุญต่อบุญนะเฮงต่อเฮงนะกันไปเรื่อยๆโกงเข้ามาก็ถูกเขากงไปอาบงอางบางองค์ที่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก่อนบทที่ที่แปลกเนี่ยนะะผมอยากจะเล่าสั้นๆฟังองค์อย่างองค์หนึ่งชื่อว่าท่านยีตาสุเถระบรรลุเป็นพระอาหารหันต์เมื่อวันที่ช่างกระระบบมาตรงมาตัด แต่งหนวดพอตัดแต่งหนวดเสร็จก็ไอ้ช่วยเอาแว่นของช่างกระระบกเนี่ยมาส่องดูหน้าธรรมดาคนที่ตัดผมใหม่ๆทำผมใหม่ๆแต่งหน้าใหม่ๆดูหน้าตัวเองแล้วย่อมเกิดความชื่นชมยินดีใช่ไเกิดความกำหนัดในกายภาษาธรรมาวงันแต่ท่านมีตาโศกเนี่ยพอเอาแว่นมาส่องหน้า เนื่องจา ก, กตัวเองกำลังครุกคลีอยู่กับธรรมะพิจารณาธรรมะพอเห็นหน้าแล้วก็เพ่งเพ่งอนิจจสัญญาจากเงาในกระจกเนี่ยครับธรรมะเดินลึกเลยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์าโตเครื่องแปลงเลยพูดอย่างนี้ก็แล้วกันโตครื่องแต่งในที่สุดก็เลยต้องบวชเลียนอาหารแล้วอยู่ไม่ได้ต้องบวช อย่างนี้ก็บรรลุจากการเจริญวิปัสสนาเองก็ เ, เป็นกรณีแปลกละก็ลักษณะแปลกๆอย่างนี้ยังมีองค์อื่นอีกเหมือนกันราคานี้ว่าถึงโดยเทศนาอาการบรรลุธรรมโดยเทสนาคือในหลักเนี่ยท่านถือว่ารรมาเทสนาเนี่ยเป็นวิมุตติจตนา คือเป็นแดนแห่งการบรรลุอันหนึง่งในกรณีที่คนฟังธรรมะและบรรลุเมื่อฟังธรรมะอยู่เช่นเมื่อพระผู้มีราาพระภาคหรือภาษาวกตั้งอุทเทศหัวข้อขึ้นพวกที่เป็นอุกติตนอยู่ก็บรรลุเลยแล้วก็บางทีขยายความหน่อยขยายความอุเทศเราจริงบรรลุ เราบางพวกก็ขยายความพิสดารแล้วก็มีการสอถามคุกครีตรันนิดหนึ่งก็บรรลุอันนี้ที่ว่าเรียกว่าเป็นพวกบรรลุอยู่ในบรรยากาศการฟังธรรมะกรณีอย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยมีค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮะมีเยอะมากเลยครับทั้งที่เป็นพระทั้งที่เป็น อ, อาราวาสก็โดยมากจะเล่าๆไว้ดูง่ายๆเริ่มตั้งแต่พระ อุปฏติสาภาษาริบุตรบรรลุธรรมในอิริยาบทยืนท่างกลางถนนจากบทบรรยายของพระอัสิิด้วยการยกหัว ข, ข้อขึ้นแล้วนะไม่ขยายอะไรเลยบรรลุเป็นพระโสดาบันใช่ไหมเพราะโมคคลานะก็เหมือนกันก็บรรลุเป็นโสดบันเมื่อฟังธรรมและ ถ้าสารีบุตรมาบรรลุเป็นพระหลานก็มาฟังธรรมะอีกคือบรรลุเมื่อพระพุทธเจ้าเทศโปรดดีพ ร, ระนักขัตต่ธรรมสุกระขาตาและพะโมคลานะละ่าล่ะบรรลุเองหลืกเล่นเองอตรงนี้เป็นเรื่องที่น่ า, นาพิจารณาศึกษาว่าการบรรลุธรรมในขณะฟังธรรมะเนี่ย จะอธิบายได้ว่าอย่างไงอธิบายให้มันดูเป็นเรื่องเป็นจริงเป็นจังลึกซึ้งแปลกใหม่กว่าที่เราคิดทวนๆอยากแต่นัตตะลายมาเนี่ยอันนี้ผมสมติดไว้ก่อนนะแล้วก็จะเทียบให้เห็นเหมือนกับในในสมัยนี้กับครูบาอาจารย์บอกที่นี้ที่มีแปลกกว่านั้นคือบรรลุเมื่อตัวเองสแสดงธรรมในสมัยพุทธกาลไม่เคยมี มีน้อยแต่มีครับยังมีอยู่องค์หนึ่อะกล่าวสแสดงทำอยู่ตัวเองได้บรรลุเป็นพระหลานเองคนฟังไม่ได้บรร่าตัวเองบรรลุพูดโปรดตัวเองพูดตั้งใจจะโปรดคนอื่นแล้วตัวเองก็พิจารณาทำตามไปบรรลุบรรลุไม่ใช่บรรลุขาหูนี่บรรลุขาปากเลยเครอับตัวอยองค์แปลกดีนีถึงเป็นหลักฐานได้อันหนึ่ง เพราะว่าคนฟังธรรมะคนพุทธธรรมะเนี่ยก็ต้องพิจารณาตรึกตรองไปตามนั้นแล้วก็อในชั้นหนึ่งเราก็บอกว่าการแสดงตามการฟังธรรมะเป็นบริโภคแต่ในอีกแน่หนึ่งบอกว่าเป็นแดนแห่งการบรรลุนี่ฟังดูเหมือนจะขัดกันนะนะอนี่เป็นเพราะอะไรตั้งปัญหาทริงไว้ก่อนเป็นเรื่องใหญ่อันหนึ่งก็คือโดยอุปนิสัยการบรรลุธรรมเนี่ย เรารู้หลักอันหนึ่งว่าบางพวกในปฏิบัติลําบากบางพวกปฏิบัติสบายและพวกปฏิบัติลําบากปฏิบัติสบายเนี่ยแบ่งเป็นสองพวกพวกบรรลุเร็วกับพวกบรรลุชา้าอะไรทําให้ปฏิบัติลําบากปฏิบัติสบไอ้ตัวที่ท่านยกขึ้นเป็นตัวสําคัญเลยเนี่ยคือกิเลสแต่กิเลสเนี่ยมันเกิดไปาพาดพิงกับไอวิบากกรรมอะไรต่างๆเนี่ย แล้วก็ฏะทอนมาถึงกิเลสเชยนว่าคนบางคนเนี่ยสบายจัดแทนที่ไอ้ความสบายนันจะทำให้ปฏิบัติสบายแับปฏิบัติลำบากเพราะอะไรเพราะความสบายนั้นไปเป็นปัจจัยแก่กิเลสคือความติดคือโลภะบางคนปฏิบัติฟูด เ, เคืองได้รับอกุศลมบัิบาโรวญภัยไข้เจ็บ ทุกเวทนานานาประการแล้วพอมาปฏิบัติแล้วปฏิบัติลําบากเพราะอากุศลในบาคนั้นเป็นปัใจจัยให้เกิดโทมนั์ไอ้โทมานต์มันก็เข้ามาขวางขวางธรรมะตัวเองทําให้ต่อสู้กิเลสด้วยความยากลําบากก็เลยตกลงว่าไอปา้ปฏิบัติลำบากปฏิบัติสบายเนี่ยมันมาทั้งจากความสบายในทางวัตถุ และความไม่สบายในทางวัตถุด้วยกันทั้งคู่นะไอ้จุดละเอียดเนี่ยท่านเอาอย่างนี้แต่ว่าเวลาเรามองลึกเข้าไปเนี่ยเราก็จะมองทั้งสองส่วนอธิบายทั้งสองส่วนพิเคราะห์ทั้งสองส่วนว่าบางพวกเนี่ยเวลาปฏิบัติทำแล้วมีอุปสรรคมากเหลือเกินอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก สิ่งลึกลับที่เราเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรกม็มีเวรีบุคคลเข้ามาขัดขวางที่เรียกว่ามารเนี่ยในมารสังยุทธ์อะไรต่ออะที่เล่าไว้ก็ประเภทนี้เข้ามาขัดขวางถ้านนู้นถ้านนี้ทําให้ตัวเองปฏิบัติลําบากแล้วก็บางคนก็มาจากอกุศลกรรมในอดีตที่ได้ทําไว้ ก็ไม่ทางอื่นไกลแล้วครับพระพุทธเจ้าเราเองพระพุทธเจ้าเราเองเนี่ยบรรลุเร็วหรือบรรุช้าีิมพูดถึงในทางกายภาพเทนเนตนะบวชปุ๊บบรรลุปั๊บเลยไหมไม่บรรลุปับ๊บต้องไปคนทุกข์ทระะมานกับการประพฤติผิดนอกฤทธิ์ให้ลำบากพราวรากายแทบจะเรียกว่าเอาชีวิตเข้าเข้าไปแลก จึงกลับมาบรรลุได้ในภายหลังอ่านี่เป็นเรื่องอกุศลที่ที่ที่เข้ามาเพราะนั้นไอชะตาชีวิตคนที่เข้ามาสู่ธรรมะเนี่ยบางคนก็รู้สึกว่าสบายบางคนก็รู้สึกว่าสะดวกแตไ่ไอสบายสะดวกเนี่ยผมต้องเน้นว่าธรรมะเขาไม่เอาไอหัวแม่เข้าไปกุกตินี่ติดแอร์มี กระติกน้ําร้อนอย่างดีมีอาสนะสะอาดสะอา้านแล้วก็เลยไปหมอบูมแหมนี่เขาปฏิบัติมีไอ้บุญดีำทาให้ปฏิบัติไม่สบายเพิงถึงมีบางคนเนี่ยมาบอกเลยว่าเวลาไปปฏิบัติธรรมแล้วไม่อยากจะไปวัดที่รู้จักไม่อยากจะไปเจอโยคีที่รู้จักเพราะเขาคอยจะมาเอาใจใส่คอยจะมาเอาใจใส่ถามนูน่นถามนี่เอานูน่นเอานี่มาให้ อาหารการกินโหอยากจะงจ ะ, ะเสียความเป็นโยกีว่งไปหมดเลยมันก็กลายเป็นปริโภทเป็นไอ้ความอึดอัดเกิดขึ้นเนี่ยได้ยินมาสองสคนที่บุญเขาดีเกินไปเลยไปเจอแบบนี้เขาทีถ้าคนไปไปทำไม่ไม่เอาผลทางธรรมะเอาผลกว่าทางความสะดวกสบายก็ไปหลงผิดสิใช่ไหมละ่ะไปหลงผิด และถ้าไปเข้าใจว่าตัวเองได้ความเจริญนั้นยงปีดๆแล้ก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับแสดงให้เห็นว่านั่นเขายังไม่ได้ประโยชน์ทั้งทั้งหมดเหล่านี้ข้อสําคัญเนี่ยยึงอยู่ที่การควบคุมกิเลสไอสิ่งเหล่านั้นจะรับได้แค่ไหนหรือจะฝืดเครื่องแค่ไหนถ้าคุมกิเลสได้แล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ทํามาอันตรายแก่ธรรมะที่ตัวเองปฏิบัติเพราะนั้น พระโมคคัลานะก็มีอุปสรรคจากความม่วงพระปูติคัตตาติสาก็มีอุปสรรคจากความป่วยด้วยโรคร้ายแรงร่างกายเนา่าพระโพธิละก็มีอุปสรรคจากมานะในพระบุญยตยิบรญเจ้าตรัสว่าเป็นใบลานเปล่าพวกเนี้ยมันทั้งนั้นเลย พูดถึงถ้าเราจะทำบัญชีดูสถานที่ที่แต่ละคนบรรลุเนี่ยพวกที่บรรลุตามป่าตามเขาในถ้ำก็เยอะนะฮะบรรลุในส้วมก็มีท่านชัมบุกาธีวกในบรรลุในส้วมส้วมศาสนาใหญ่มือมาเน้นนะทูเ จ, จ้าก็ไปโปรดในส้วมแล้วก็ขอโทษบรรลุในซ่องก็มีท่านสุนตระสมุทร นี่ท่านก็จะต้องสงสัยเอท่านไปทําอะไรท่านมีบัตรสลิปไปด้วยหรือเปล่าแล้พระพุทธเจ้าก็ไปโปรดไปโปรดโดยการท่านไม่ได้ไปด้วเนื้อสดในตัวท่านเองท่านทําอีทาวิสังขารไปโปรดเงี้นะอ่าอย่างนี้แล้วบางบางองค์เนี่ยมีอยู่องค์นะไอ้ที่บรรลุกลางถนนในความจริงมีหลายองค์ท่านพายยะอะไรนี่ก็ใช่แต่มีอยู่องค์หนึ่งบรรลุกลางถนนนเกี่ยวกับบุญบา ร, รมีเก่าของท่านต้องไปบรรลุกลางถนน ไอ้ตรงนั้นบรรลุในครัวมีไหมฮะจาได้มันบรรลุในครัวที่พี่คุณีอยู่องค์บรรลุในกลัวไงกำลังต้มแกงอยู่ก็เจริญไอ้ไฟมันก็ไอ้กระะไอ้แหวมันคงไม่จะอ่านน้ําฟืนมันแตกเปรี้ยๆบอกแกงไหมอ่ะทํารีบาสนาจนว่าแกงไหมอันนี้เขาเรียกว่าไหมแล้วมันคุ้มนะไหมแล้วกําหนด เห็นความแตกนั้นสะท้อนกลับเข้ามานามลูของตัวเองเพราะมีการแตกดับเป็นสิ่งเสียงไม่เป็นอันเดียวกันก็ได้บรรลุเป็นพระอริยอนาคามีเลยหน้าเตาไฟในครัวที่บ้านตัวเอง อ, อย่างนี้ก<น>็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้อีก นันที่ที่บรรลุเนี่ยไอ้บางที่ก็เป็นแต่เพียงว่ามีฐานะเป็นสัพเพยะแต่บางที่เนี่ยมันมีไอ้ความความลึกซึ้งอะไรบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องที่น่าศึกษามาที่เรียกว่าที่บรรลุที่เราบอกว่าที่ใครที่มันเนี่ยนะไอ้ที่ใครที่มันในส่วนที่ผมว่าในหมายถึงมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับผู้บรรลุธํานั ที่ได้สั่งสมเกี่ยวข้องมาอย่างที่ที่ท่านพระเทระองค์หนึ่งที่บรรลุอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับท่านมาคือท่านาข่าวอมปติที่ลาวป่าโคนต้นไม้แห่งหนึ่งที่ท่านได้สั่งสมเกี่ยวข้องที่นั้นมาบรรลุแล้วก็ไปป้วนเปี้ยนปุ่นเปีเป้ย น, นอยู่ที่นั้นบางองค์ก็บรรลุป่าช้าประชานี่ไม่แปลกป่าชาเยอะแล้วก็มี อ, องค์นี่ไปได้สับปะเลอ เป็นเป็นลูกมืออองค์นี้คือท่านมาหาการท่านมาหาการเนี่ยเป็นลูกของพ่อค้านธุรกิจที่บรรทุกสินค้าล่องขึ้นล่องลองซึ่งคืลอลงขายตามเมือ ง, งนะเมืองนี้ก็เลยมาคลอดลูกกลางทางเลยเป็นมาหาการนะแตบบ่บางคนคลอดลอรล่นเน่ะไปเกิดในเรืออะไรเงี้ยแล้วแตย่ยีวิตคนเกิดในเรือเกิดในแพอ่า พอโตขึ้นก็มาบวชบวชแล้วก็ถือโสราสนิกรังคาตูดงอยู่ในปา่าเป็นป่าช้าพิดิห่งหนึ่งก็ไปอยู่ที่นั่นปักหลักเลยประพฤติธรรมนราธารรม ท, ที่นั่นเพ่งอสุภะกรรมฐานที่นี้จนกระทั่งสัรเหลซึ่งเป็นผู้หญิงร่างกายกล้ามยำกลามยำคนหนึ่งชื่อนางกาลีเพราะนางมีผิวดำสนิทก็ ไปทำหน้าที่เป็นสัปปเหร่อเยนั้นเวลาได้ศพมาเนี่ยนางจะเอามาให้พระมาเอาศพมาถวายพระคือไม่ใช่เอามาถวายถึงที่หมายนึงที่ที่พระท่านจะมาใช้กรรมฐ า, านนะพระท่านก็ไปพิงเพ่งจากศพแล้วเนี้แล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในป่าชากับศพที่อสั ป, ปเหร่อจัดให้ถามว่าสั ป, ปเหร่อได้บุญไหม ได้บุญแต่ไม่ได้พูดว่านางได้บรรลุธรรมอะไรหรือไม่ยังไงนะนั้นก็แต่ละคนก็อาจจะชอบต่างกันถามว่าพวกเราชอบไหมปราช้าอย่างนี้วงไม่ไม่ค่ยชอบกันเป็นส่วนมากแต่ถ้าเป็นผมแล้วผมชอบอะถ้าอ่านเรื่องประวัติปลาเกี่ยวก็ปรชาช้าปรชาชญผมค่อนข้างมีความสุขชอบปรชาช้าแล้วก็ทุกวันนี้ก็เสียดายปรชาช้า ไอ้ปราช้ามาหายไปแล้วหมดไปไม่ค่อยมีหายหมดเลยเสียดายมากเราเลยไม่ได้ที่ลื่นเริงใจไม่งั้นก็ผ่านปา่าช้าได้กลิ่นปรชาช้าแล้วมีความสุขไปอย่างนะยกลิ่นไอ้ทั้งส ง, งนะี่นะสุขแบบธรรมะนะไม่ใช่ไปชอบลงเนี่ยมันรู้สึกว่าได้ได้เกิดความรู้สึกในธรรมอะไรอะไรขึ้นจึงเสียดายเดี๋ยวนี้เลยหาปลาช้าอย่างนี้ดูไม่ จากเต็มที่ไม่ได้ไม่ได้เห็นมานานนักหนาแล้วต่างจังหวัดคงพอมีอยู่ตามสมควรอ่าอันนี้ันี้ก็เป็นเรื่องที่ผมพยายามจะพูดให้เห็นว่าไอ้ความหลากหลายอย่างเข้าๆนะแล้วก็ในส่วนสุท้ายคือชีวิตหลังการบรรลุธรรมเนี่ยว่าคนบรรลุธรรมแล้วสมัยก่อนเนี่ยหลังบรรลุธรรมนะแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตดําเนินอยู่ในแนวเดียวกันหรือไม่ หรือต่างคนต่างทํามาลมตายอะไรตามใจชอบเราก็พบ ว, ว่าบางคนก็บรรลุธรรมแล้วก็เก็บตัวเงียบอย่างเช่นท่านอั ญ, ญาวนตัญญาเป็นต้นเก็บตัวเงียบบางท่านก็ออกมาเผยแพร่ธรรมะนะบางท่านก็ทํากิจอย่างอื่นอะไรต่ออะไรครองบ้านครองเมืองก็ยังพอไดอ้วันนี้ก็ถือว่าเป็นการ คราวนำไม่เห็นภาพกว้างๆนะะคราวหน้าก็จะเข้ารายละเอียดนะทีนี้ทีนี้ผมก็คิดหลายตลบว่าผมจะทํำยังไงดีเอาเรื่องเยอะๆเนี่ยมาพูดแล้วไม่ให้เป็นเรื่องเล่าไปตามมีตามเกิดก็เลยอย่างนี้ครับเอาเป็นว่าคราวหน้าเนี่ยจะมีตารางแล้วก็อาจจะต้องลําดับประวัติพระตามลําดับอักษรนะฮะทำทำไมว่าใครเกิดที่ไหน มีกำพืชเดิมอย่างไรเข้าวัดเพราะอะไรน ะ, ะแล้วก็มาบรรลุทำที่ไหนได้ทำอะไรได้คุณวิเศษโดยท่านสมบูรณ์อย่างไรและชีวิตหลังจากบรรลุแล้วเนี่ยท่านมีอะไรเป็นยังไงก็จะทำเป็นช่องแล้วก็มาแจากแล้วผมจะอธิบายเล่ารายละเอียดเติมให้ถ้าจะ เขียนเป็นรายละเอียดลงเปแล้วก็กลายเป็นเรื่องการเขียนหนังสือไม่งั้นแจกคิดแล้วกลับบ้านไปอ่านเอาเองก็คงจะดีกว่าไม่งันก็ไม่ต้องมาก็ได้ส่งไปให้ที่บ้านผมก็ไม่ได้พูดเลยนะไม่ได้พูดก็โอกาสจะบรรลุเพราะการแสดงธรรมก็คงจะลําบากนี่ก็จะพูดไปกว่าจะบรรลุแหละถ้าชวนให้มาฟังจนกว่าจะบรรลุไปด้วยกันก็แล้วกันก็ยุติที่นี้ครับ